สภาพแวดล้อมค่ อ, อนนนมมยๆ เ, ไปไอยยเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ น, นนมันเริ่มเล็กลงมันเริ่มมีแต่หญ้าที่มันแรงๆเขาจะพาไปไหนสภาพแวดล้อมค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆถนนมันเริ่มเล็กลงมันเริ่มมีแต่หญ้าที่มันแรงๆเขาจะพาไปไหน